ก่นที่จะมาที่นี่ค่ะคือเป็นตัวที่หลาทำเป็นเรียนต่อเป็นเรียนทยงแต่ว่าประมาณแปดเอนแต่เฉลีแต่ว่าเรียนไม่อยากาา่าดและก็คือได้ยินคอสข อ, องลอที่งที่หนึ่งหนะึ่งเต็ดมีนาก็เลยไม่อยากา่าดก็เลยเตรียมเข้าเข้าคอที่นี่ก่อนแต่จะรับขาด ท, ที่กรุงเทพขั้นเรียนที่เก้ามีนาก็เลยมาเขาคสที่น แต่ตอนที่มาใหี่สาววันแรกเนี่ยโอเคเราไม่ไม่เชื่อ ว, ว่าเอ้เรามอไม่เอามาดูเราทำอะไรกัเลยเลยเราจะหายไหมเนี่ยแต่พอทานาที่นี่ไป็องสาวันเอ้เราก็ไม่เจ็บไม่ปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอมันยโอเคยอยู่ประมาณที่สี่ที่ห้าเอ้ก้อนก็ยุบลงก็ปอดหงิ่งขึ้นก็ะ เ, เ, เลเ้เราก็เริ่มมาถูกทางละก็เลยก็แบบจากจากที่นี่ไปเริ่มจะปวที่หมอขอให้ทานให้เยอ ก้เหมือนที่นี่นะคะแต่ว่าไอ้กอนมะเร็งเทาปอ่ะมันก็ค่อยๆยุบลงยุบลแล้วก็ม่คือเราไม่ผ่าตัดเราันที่ห้าพอเรายุบลงเราก็ไปที่นเชนที่ทางการตดมะเงว่าเราติต่างจังหวัดนะเราจะไม่กลับจักที่กรุงเทพแล้วอะไรอาอด้วยการผ่าตัดไต่อแต่นโอเคแล้วก็คือก็ยังไม่คิดว่ามันจขึ้นมากไว้แค่ไหนก็คือทำแค่ไปเรื่อยๆจนครบเดือนไอ้อนเ็เป ยุบลงยุบลงไปเรื่อยๆเป็น่งที่ต้องเมื่อยุบลงยุบลงไเรื่อยๆนก็เริ่มเเราต้องันทางีเรามาเรล้อมาดูทางก็คือแต่ว่าคือในสานี่ไม่ได้มาคสี่ทาแม่ไม่สะดวเยไม่ได้มาเพเวไปมีนามาประมาณเเพื่อจะ่าเข้ามาหม่แล้วมันก็ยุบลงยุลงไเรื่อยๆตอนนีประมาณ 70% ล่ะที่ว่าหันไปหายไปดสซแล้วนะจามีนาถอยถายหลังนัตัวแล้วก็ถอหม่ ก็คือนน ป, ประมาณประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นค่ะครับาดเบาได้ไหมหายไปประมาณเจ็ดสิบปอร์เซ็นแล้วอย่างนั้นนะคะม่เร็งต้งนมด้านไหนเนี่ยของนูเอ่อด้านด้านไหนแล้วผ่าไหมไ ม, ไม่ผ่าไม่ผานะต่ดสเจ็ดเปอร์เซ็เส้ยที่มันยุบลงไาเยอะเลยนะคะออตอนนั้นเพียงแต่ว่าไปไปตรวจแล้วเขาก็นัดผ่าผ เจาะชิ้เนเื้อไปเปนแต่บริทองทางข้อนี่มีหมนึ่งเจ็ดสองนจ้าอ๋อนุชจะเป็นค น, นบุญมีบุญบุ ญ, บญถึงฮะนะคะก็เลยแข็งเซนไปแล้วก็รักษาตัวมาแบบนี้ตลอนแล้วก็ไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดอีกเลยแล้วก็ยืดลงยืดลงไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือสัแค่ไหนแค่ก้อนไม่มากคือถึงก็กาถูกแต่ว่าไม่รู้ว่าคือกอนี้คือประมาณเจ็บเจดสิบเอร์ซ็เสร็จแล้วคอนที่หนูจะมานี่หนงไยสถาบันมาเร่งมาแล้วนะจ๊ะ ใช่นะคะตื้ออ่าก่อนก่อนที่ไปสถาบันมาเล็กก็ไปตรวจที่อื่นมาแล้วด้วยเหมือนกันที่อทางทางแรกที่ไปตรวจเนี่ยหมอโรงพยาบาลแรกทั้งหมดประมาณ8เ็นกว่าแต่น่าจะหมด8เซว่าเพราะว่าที่สถาบันไม่นด้เลยแต่ไม่ได้เลยก็คือ2เซนกว่ากาถ้า2เซนกว่าจะน่าจะหมดไปนะคะแล้วโอเคก็เลยไปเยอะมากค่ะแล้วคุณน้องเล็กให้มากี่คอร์สแล้วคะนี่ออันนี้คอที่สามนะคอสที่สามนะค่ะอ่ม แล้วการที่น้องเล็กมาที่นี่ในครั้งแรกได้อะไรไปครั้งแรกก็คือได้ความมั่นใจคือเรามาคนมาเห็นว่าคนที่เขาปีนมากกว่เราเขาผ่าตัดก็ทุกทีงม่เป็นมา ก, กเร า, เ, ร า, เ, า, า, เ, าเยอะเลยเขายังหายเลยให้เราแค่เป็นเสตจิกจ่อยแค่นี้ไม่กลัวอะไรกันแล้วก็คือใจเริ่มมาแล้ะเรามีกาลังใจเยอะเลยฮนะเราปฏิบัติก็โอเคแล้วก็ ก, กินได้เลยได้ถึงอยากจะมาตูนหน่นะกลับไปผ่าตัดนะอะ กินจืดจืดกินนวสบายสบายไม่ได้กินไม่กินจานแต่ว่าไม่ต้องบัตรเจ็ดผ่านๆตัด่ะตันแข็งแข่งไม่ซ้ำไปนะแข่งแข่งกว่าเก่านะกว่าผิวดีไหมดีอะดีทุกอย่างหน้าแดงนะมีพลังชีวิตเยอะเลยแล้วตัวเองพัฒนาสุขอย่างนั้นในข้อที่หนึ่งพอข้อที่มาข้อที่สองได้อะไรอันนั้นมีความมั่นใจนะข้อหนึ่งข้อสองค่ะข้อที่สามคือได้ แรกคือยอมรับ ว, ว่าคือเป็นคนที่ทำข้าวอย่างนี้เป็นเลยแต่ก็ม า, าที่นี่ถืได้หาะแต่ก็อะไรที่เริเมที่เป็นแล้วก็กถามแล้งครัวว่าอันไหนร้อนอันไหนแย่อะไระกินได้กินไม่ได้เนี่ยเราก็ถือได้ห า, าเรเพิ่มเเริ่มวิธีการดูแลตัวเองเพิ่มเติดีมากเลยข้อหนึ่งได้มั่นใจน <ะ S 1> ข้อที่สองอาหารนะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะเราก็มาทําอาหารเองที่ี้ไม่ใช่แต่ก็ทําเองหมดแล้วนอกจากําเองแล้วนี่ก็ช่วยไม่กัวผาสุกเพื่ออะไร ไปช่วยในค ร, รัวทำอะไรๆอย่างของควา ม, มรู้ผมด้วยตอนนี้ที่สามหรือที่สี่เนี่ยข้อดีขอด้ขอที่าค่ะ <c ười> จนข้อที่สามนี่ขณะนี้มาถึงนี่แล้วน้องไม่กว่าน้องไม่ได้อะไรที่เห็นเป็นชัดเจนนะคะค่ะตอนนี้คือ <c ười> ไม่ไม่ทชาหรอกว่าเราเห็นธรรมากกว่าคือมากกว่าเราอาจจะรู้สึกาแต่ว่าเราจะไม่ไม่ ไม่เลืกซื้อพออะแต่เราว่าทางนี้เราก็ได้เรื่องถึงช่วงวันที่เราสวนมาแล้วแย่เราคือเราได้สถานะแหละแต่ว่าบรรญาเรายังไม่เชื่อว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเห็นหมอเขียวบอกว่าเฮ้ยเขาหลอกแล้วนะนี่วันนร้ทายหมอจะบอกว่าหมอทดสอบอะไรนิดหน่อยหมอ่จะผ่านอะไรต่างๆเรายังไม่เชื่อต้องไปพิสูจนก่อนการลำพสูจน์เนาะต้องพิสูจน์ดูก่อ ก็แสดง ว, ว่าน้องเล็กไม่ผาสุขขึ้นมาเยอะเลยเพราะมีความมั่นใจอาหารก็ทำได้เห็นแล้วทำยังไง